ตั้งใจฟังกันอีกตืมเมื่อเศาราเมื่อนี้ก็ช่วากันเรื่องจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญานี้ต่อไปวัาวาเมื่อแหลงนั้กนก็เป็นเพียงหัวข้อให้ฟังตั้งอกตั้งใจฟัง อย่าสัวฟังแล้วกับโบจุดโบจับโบแม่หนังสั่นเลตั้งใจฟังให้จริงๆริงยบอตั้งใจฟังจริงๆมันจะลืมเลื่อนไปได้การเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนานั่นแหละคำว่าวิปัสสนานี่ยโาได้ยินแต่ซื้อมันคือซื้อบุกูจัก ดันั้นจึงมีวิธีการอย่างที่ผมว้าให้ฟังมือแหลงหวานนีเน่ยต้องเฮกจังหวะเฮ็กจังหวะก็คือบอกคือสอนก็นอยู่นี่แหละพลิกมือขึ้นให้หนีควมรู้สึกตัวควมรู้สึกตัวนั่นแปลว่าปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาโบ้แม่นนอนหลับทังสันเดะปลุกให้ตื่น บทนั้นปลุกให้ตื่นนี่ปลูกจิตปลุกใจพุ่ น, น, ญญนให้มันตื่นขึ้นมาปลุกตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาให้มันตื่นขึ้นมาแต่ก้อนนั้นมันนอนหลับทับสิบโบกคิดบกคิดหาตนหาโตวัด น, นี้ทามาตื่นโตอยู่เสมออันนี้เรียกว่าเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นวิธีการ ให้วิปัสนาญาณเกิดขึ้นในจิตในใจของเขานี้จิตใจของทุกคนนั่นแหละมันมีแล้วเรื่องญาณปัญญานี่ญาณนี้ญาณปัญญา น, นี่พันวามันเป็นสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นให้ผู้ใดแล้วผู้หั้นแหละจะมีความมั่นคงถาวรจิตใจก็เข้มแข็ง พูดแล้วก็ต้องปฏิบัติตามจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมผมได้ปรากฏจังสีจึงจะมานำเวาสู้ฝังเรื่องนี้โบเฮตโบหูเทๆไม่กินเรียนหนังสือมามากๆให้หูโบหูกินเรียนนักทำตีนักทำโทนักทำเอก เป็นมหาก็บหูโบหูเทะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกลับจริงๆมีเงินลายๆเอาไปซื้อได้โบโบใดเทะโบไม่ของซื้อโบไม่ของขายเรื่องวิปัสสนานี่เป็นเรื่องชีวิตเทะชีวิตนี้จึงซื้อโบใดขายโบไดโบมีตลาดขายชีวิตคน สิกิของคนนี่มีราคามากที่สุดมีผู้มาซื้อร้อยหนึ่งพันหนึ่ง0มื่นหนึ่งแสหนึ่งล้านหนึ่งสองล้านขายบได้และผู้มีตลาขายนี่ที่จะนำมาเล่าสู้ฝัง่งเง่นนี้ตั้งอกตั้งใจฝัง่งแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญานี้เพื่อให้เกิดงานปัญญาแท้ดีด้ เกิดขึ้นมาจริงจริงานปัญญานี่รับรองร้อยปเทีเดียวไม่ยกเวน้นอ้าวคมอ่านหนังสือธรรมวิจารณ์เป็นคมรู้นักธรรมสันเอบว่าผูใ้ใดเจริญสติประทานซี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่คนวางสันย่างนานบวกเกินเจ็ดปีนา ย่างการย่างกลางเจ็ดเดือนย่างไวที่สุดนับตั้งแต่นึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอ น, นิสงส์งสอ ง, สงประการคนวายอ่างสัน้นึ่งเป็นพระอรหันต์ถ้าหากว่าได้เป็นพระอรหันต์แล้วต้องเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันพบนี้ศาสตร์นี้นี่เองคนวายอ่างสัน้นอันนี้รับรองได้ บบต้องเป็นพระราหันโบต้องเป็นพระอนาคามีดอกอันนี้ถ้าหากจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาแบบพลิกมือขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้วั้วมือลงให้มีสติเข้าไปรู้ยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยดังทิปตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกืนน้าลายพานลงเข้าไปในลาคอนี้ ให้มีสติกำหนดรูทุกอิรีิยบทนี้เอารับรองบอกว่าไม่เกินสามปีอย่างซาที่สุดย่างไวนี่เอารับรองปีนึงสามร้อยหกสิบห้าวันอย่างกลางย่างไว้บันเนี่ยไวที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งมือถึงเก้าสิบมืออานี่ส่งโบต้องพูดเลยทุก พ่อโทสะโมหโลภะนี้จะชื่อจางไปจริงจิงกิกเลสตัณหาอุปทานกรรมนี้จะชื่อจางไปจริงๆอันนี้แหละงานเข้าไปรู้ยานคือยังคือโตสติตสมาธิตัวปัญญานี่แหละยานไปไว่าเห็นแจ้งรู้จริบรงบนแม่นตาเห็นได้รับจิตใจมันเห็นจิตใจมันรู้จิตใจมันเข้าไปรู้ บุญม่เข้าไปซื้ออื่นดอกบุญม่เข้าไปในถ้ำในหูในป้าในดงที่ไหนดอกเข้ามาลูโตชีวิตจิตใจของเขานี่ชีวิตจิตใจเขาเป็นสังลดกอยู่เขาจิรูนี่แหละพันวาจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญามันจึงมีค่ามีคุณมากคําสอนของพระเจ้าจึงมีค่ามีคุณมากที่สุด คื้อบรไดาขายบรอดาที่ไปฟังเอาซื้อในบรอดามันต้องเจริญให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาลู่แจ้งเห็นจริงจริ ง, ร ง, ร ง, รงเรื่องนี้จะเป็นคนซาตไดถือศาสนาใดก็าตามสางผมรับรองได้นุ่งผ้าสีอันใดก็าตามแทหัวกระได้โบแทหัวกระได้บวชก็ได้โบบวชก็ได้ดไดดไดคนยากคนจนกระปฏิบัติใด คนเห็นหนังสือเก่งๆก็ปฏิบัติได้คนบ้ได้เหน็นหนังสือก็ปฏิบัติได้คน้วยๆก็ปฏิบัติได้คือกันเมื่อทุกคนโบยกเวนที่เป็นเจ้าเป็นนายก็ปฏิบัติได้เป็นผู้ไทยนายห้อยก็ปฏิบัติได้เป็นสาวนาสาวสวนก็นปฏิบัติได้เหตให้เหตนาปฏิบัติได้ทางนั้นไปใส่มาใส่ปฏิบัติได้ทางนั้น ปฏิบัติอย่างไหนตัวอันความรู้สึกนี่หลาปฏิบัตินะปฏิบัติให้รู้สึกตัวเนี่ยไปหาเงินหาทองกระไดนะนี่นะนี่ผมรับรองได้อย่างสี่คำพูดของผมรับรองจริงจริงนี่แหละของจริงของเทแล้วคนว่ายอมเสียสละทรัพย์คนว่าพอรักษาอวัยนยวะคนว่าสันยอมเสียสละอวัยะวะ พอรักษาชีวิตเพคนวา่ายอมเสียกระทั่งชีวิตพอรักษาสัจธรรมวะผมว่าเมื่อ น, นี้ก็คือการเผยิว่าสนกกากระทำางนี่แหละยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความจริงที่เจ้าของได้ประสบพบเห็นได้รู้ได้เข้าใจมานํามาว่าสู่พ่อสู่แม่สู่พี่สู่น้องสู่เพื่อนฝังแล้วนําไปปฏิบัติ เขาเปิดอบรมนี่มีความเข้าใจยังไงอยากให้รู้อันไดนอยากให้รู้ตัวเขาพ่อเขาลืมตัวเขามาพอแล้วพราะแม่เขาเคยบอกเคยสอนว่าอย่าลืมตัวนะมึงเนี่ยเพิ่นบอกแต่เพิ่นก็บอบอได้หูว่าว่าอย่าลืมตัวนี่บบไม่ลืมตัวอันเขานั่งโคโมเคเมีอยู่นี่นะไนโบเมีนดังสันนี้คาว่ายื่นลืมตัวนี่ หมายถึงอย่าลืมชีวิตจิตใจเขาเนี่ยอย่าหลงอย่าลืมเนี่ยนี่อันนี้เนี่ยอย่าลืมตัวคันลืมอันนี้นเนี่ยมันจะโกรธเนี่คนเฮามีผูใ้ใดมาว่าอันใดอันนึงให้แล้วมันมันลืมเนี่ทางธรรมะคนเอื้นโมหะทางบ้านเฮาเดียวนีบ้านหลงโตลืมโตว่าแต่คนลืมโตนี่คนว่าเอื้นคนประมาท คนประมาทนี้ถึงจะมีชีวิตอยู่กับมือกับคนตายแล้วผนมาประมาะในบวินาที่ไปตีผู้นั้นไปตีผู้นี้อันนั้นมันผิดกฎหมายบ้านเมืองประมาะนี่หมายถึงคนที่บ่เอาจิตเอาใจตัวเองมาเบิ่งจิตเบิ่งใจตัวเองนี่เองคําว่าจิตว่าใจเนี่ยเคยรู้บ่บ่เคยรู้ผมแต่ก่อนอายุสี่สิบหกปีผมยังรู้ ผมรับรองได้พ่อแม่พี่น้องคงจะเข้าใจดีเรื่องการทำบุญเรื่องการรักษาสินผมเฮ็ดมาบนันโบน้อยปันใดเพราะผมต้องการอยากได้บุญแทๆ้ๆอยากไปเกิดเมืองสวรรค์แทๆ้ๆแต่ผมโบเคยรู้ว่าบุญคือหยังเมืองสวรรค์คือหยังโบเคยรู้เป็นอะไรบุญนี่คือ เขายู่ดีกินดีบ่ผิดข้องต้องเที่ยงกันนี่แหละมีลูกมีเมียกระดีนี่แหละอยู่ดีกินดีพ่อแม่กระดีนี่แหละบุญบุญคืออันนี้เนี่ยบุญคือดีใจบุญคือคมสุขบุญบุญเนี่ยมันเป็นซื้อของปบทุกทซื้อนี่นะคันทุกข์ได้เื่อนนรกเป็นวาอย่ายงสันนรกนี่จึงมันตกไปตั้งแต่เมื่อเป็นคนพี่ได้ บ si ุญนี ale, Entonces, da, ่มันกระไดเต็เมื่อเป็นคนที่ได้กคันตายแล้วมันโบไดได้คนเขาเนี่ยเฮ็ดเอาโบไดเด้เขาเคยไปเบื้องคนตายเออคนเป็นบอเขาไปเบื้องคันว่าเป็นยังไดงผู้หันน่ะอีป้านั้นลุงนั้นเป็นยังไงเออแทนได้เป็นยังบุญดอกแน่คันมันบอตายแปลว่าเป็นยังบุญรอดมันคันเอไปเบื้องเป็นยังไงท่านคันตายแล้วหมดบุญแล้วเนี่ยเขาว่าหมดบุญแล้วหมดบุญแล้วเฮ็ดอย่างโบไดแล้ว จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาการ์บได้ที่ไปตักบาตรจังหันเพลงคาร์บได้ที่ไปรักษาตวลกินคร์โบได้ตายแล้วเนี่ยมาจากได้อันไดเฮ็ดที่เดี๋ยวนี้นี่นะให้มันหู้ที่เดี๋ยวนี้นี่นะหันว่ายังซีแล้วโอ้ยบอกอันนี้ว่าตั้งมู้ดแท้ๆอภิวังสังกัว่ากตัญซ่างเล้วยบงอภุมตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติให <io> <questions> ้มันเข้าใจจริงๆเป็นพระเป็นเด็กก็ตามตังตั้งใจผมคิดเท่านี้เขาบอกเคยเห็นบัดนี้วาเรื่องผมคิดล้วนๆได้บัดนี้บวว่าเรื่องรูปเรื่องนามเนี้บัดนี้เพราะว่าเรื่องรูปเรื่องนามเพราว่ากันมาหลายเทือแล้วละวางให้ฟังมาอยู่เนี่ยบว่ชภัยธรรมุล่ะแต่ว่าเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจก็ว่ามาหลายเทือแล้ว แต่ก็เป็นหน้าที่ของวายอิตร์มือนี้ก็ะด็จิตใจเฮานี้มันคิดมาลอยเรื่องเฮาจิบูลูจักเถือ่อเมื่อเฮามีความรู้สึกตัวเฮามันคิดมากะระลูลดสมมุติพิกมือขึ้นควบมือลงลูมาอยู่นี่เดินจมกลมเดินไปกลับไปกลับมาเดินหน้าถอยหลังกลับไปกลับมามันคิด กันยาวเงาทำอิดจ์นี่มันเที่ยวรูเจณฑ์้าเป็นเรื่องเป็นราวไปไกลๆพวกนั้นมันรู้รููแล้วมัหยุดรถดนี่คนว่าการเดินทางไกลนะ่านเป็นอย่างนั้นมุดแดงไต้ขอบโดมคนว่ามันเดินไกลๆเวียนไปเวียนมาอย่าั้แล้วแบบนี้เอามาเบื้องมันมันคิ๊กไปยาวๆอ้อมไปอ้อมมารูนั่นรูนี้พอเดียวเห็นปุ๊บมันหยุดรูดนี่ มันขาดช่วงมันโลดมันเป็นทังสี่บันนี้เฮามารู้มันมันคิดลอยเรื่องเรารู้ได้จากสิบเรื่องบันนี้มันก็บรถึงลอยเรื่องแล้วบันนี้เฮามีสติเบิ้งมันอยู่นี้คอยเบื้องมันอยู่นี่คือแมวคอยที่จับหนูนี่บันเนียเบิ่งมันอยู่บันนี้มันคิดมาลอยเรื่องเราจิโูมันจากเจ็ดสิบเรื่องบันนี้มันก็บรถึงแล้วบรรทึกลอยเรื่องแล้วบันี้ มันมันได้มาแล้วสามสิบเรื่องได้บหมือนมันเป็นวิธีสั้นเขาได้บหมือนมันโบยยาวต่อไปได้เหมนี้บัดนี้มันคิดมาลอยเรื่องเราดูมันห้าสิบเรื่องเหมือนนี่มันก็ได้คณละครึ่งกันแล้วเหมนี้มันเป็นขนาดนี้บัดนี้มันคิดมาตืมลอยเรื่องเราได้มาเจ็ดสิบเรื่องเหมนี้มันก็ยังเหลืออยู่สามสิบเรื่องเหมือนพอดีมันคิดมา เรารู้กันแปดสิบเรื่องเหมือนมันก็ยังอยู่นี่สิบเรื่องหรือสาวเรื่องอันว่านี้สิบเรื่องนั้นพอแม่พี่น้องมาจากทางเมืองลาวก็ที่บกหู้ว่าสาวเรื่องว่าท่นเมืองลาวมาเจอกันหูอกันแล้วล่ะเดียวนี่เพราะว่าเขาไปเขามาหากันได้สบายแตว่ายี่สิบกระลูกสาวหนึ่งกระลูกเหมนมันคิดมาร้อยเรื่องเรารู้ เก้าสิบเรื่องแบบนี้เอาวตอนเข้าสิบเรื่องเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆมันยังเหลืออยู่สิบเรื่องเลยได้แบบ น, นี้ต้องเจริญสติจเจริญสมาธิให้จังหวะไวขึ้นอย่าไปกำหนดลูดนามากสมมติว่าเขามีความคิดเขาร้อยอย่างนี่เอาแบ้งไปไว้ตัวความคิดจับหกสิบอย่าง <c oughs> แล่มมาให้มันยู่กับรูปนามนี่จากสี่สิบอย่างกับเป็นร้อยเรื่องนี่พอดีอยาไปเพ่งมันมากขันเพ่งมันจะเจ็บหัวมันจีบหนัก อ, อกหนักใจ mm. เดินให้ให้มันสบายสบายซึ่งได้สบายให้เขานี่ผมคิดมานจะสั้นลงสั้นลงจงังสีนี่แหละทางเขาสู้มักขุนนี่ผ่านจริงๆแหละนี่เรื่องนี้ นี่แหละเป็นว่ายู่โดยสอบอยู่โดยสติยู่โดยมีสมาธิอยู่โดยปัญญานี่แหละเป็นว่าอยู่โดยสอบเอป็นว่าอยู่อังซี้โบมีนซิว่ายู่โดยลืมเมื่อลืมตัวโบมีนอย่างสันโดยมีสติผู้ดใดมาว่าอันใดปุ๊บเห็นปับ๊บได้ยินปับ๊บตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญามันจะมาเฝ้ายู่จิตใจนี่จริงๆคือแมวที่คอยจับหนูนี่พอดีหนูออกมาปุ๊บ แมวมันจับปั๊บทันทีเลยนั่นเป็นอันสันน้นเบันนีเมื่อเป็นอันซีแหละเราเคเห็นจิตเห็นใจสมุทฐานของเขาย่างผมว่าให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าเห็นวัตถุเห็นปรามาัจิเห็นอาการวัตถุหมายถึงโตเฮานี่แหละบอกว่าภายนอกได้บันนีว่าภายในยนู้นโตเฮานี่เนื้อหนังเฮานี่วัตถุ หรือชีวิตจิตใจเฮานี้ก็เป็นวัตถุปรามาัดมืนนี่วัตถุปรมาัดปรมาัดก็หมายถึงโตเฮานี่กําลังเห็นยู่มียู่เป็นยู่หรือจิตใจเขาคิดเขาเห็นยู่เป็นยูก่กาลังสัมผัสยู่เฉพาะหน้าเฮานี่ เ, ยเลาา ย, ปลาา ย, ยเป็นปรมัดปรมัดยู่าเปลว่าของจริงของแท้อาการเหมนี้แต่ก้อนนั้นมันว่าเป็นสังสี เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไหมหน้ามือเป็นหลังมือในงนศัลยนี่ยมันเป็นคนละคนกันไหมเต่เนื้อหนังแค้งขานี่เป็นอันเก่าด้วยนะเตโตชีวิตจิตใจนั่นะตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยเป็นอันไหมแล้วจึงจะมามองกันโดยเนื้อหนังเนี่ยนะี่โอ้ยมองลาล่านี่แล้วครับ มันต้องมองกันเถึงจิตใจคำพูดคำว่ากันคนแม่คนของ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเห็นบัตถุ <c oughs> เห็นปรมาเห็นอากาศเมื่อ <c oughs> เห็นอันนี้แล้วโทสะโมหะโลภจื่อจางไปแต่แทไีได้ครับรับรองได้จริงๆเมืองกับควยถึกน้อยกับควยถึกใหญ่นี่แหละพอดีควยถึกน้อยมันเห็นควยถึกใหญ่แล้วมันยานโลด่าเดียว เด็กก้อนนั่นมันโบยานเหมือนบยเห็นนี่โทสะโมหะโลภะเดกก้อนมันกับโบยานบัด น, นี้ควรทุดอย่า ก, ก็คือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานี่เนี่ยเมื่อสติเมื่อสมาธิเมื่อปัญญามาลูมาเห็นมาเข้าใจชีวิตจิตใจของเขาแล้วโทสะโมหะโลภะโบเกิดแท้ๆโบเกิดเขามันยังเกิดกับพอดีเอาเต้าพอดีลมมาพิ ที่ห่วงซกับเย็นจิ้วน้อยหนึ่งเท่านั้นออืลูกอุ่นวูบมาเท่านั้นแต่ความเย็นคือโตสติโตสมาธิโตปัญญานี่เข้าอกปุ๊บลดไปเดียวนี่ความไวของมันไวยิ่งก็ไฟฟ้าแย่คุณ น, นีะครับไวจริงๆเนี่ยครับเรื่องนี้พอดี ป, ปบบันถึงปั๊บลดไปเดียวครับเหมือนเาเอาค อ, อนเอาดินเอาเหินไปโยนใส่ไม้เนี่ยพอดีทึกกระทบปั๊บเสด็จออกโรดครับ มันเป็นอยงสันไห้หรือจเจริญไปอีกบนนี้เห็นกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมเมื่อเห็นแล้วมันก็จืดกระจ่างไปโหลดรับนี่มันเป็นอยงสันเมื่อกิเลสตัณหาอุปทานกรรมจืดจางไปแล้วสิ้นปรากดขึ้นโหลดขับมันแบบนี้สินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยสิบเอ็ดโตอันนั้นโบเมีนเนี่ครับ สิ่งอันนี้คือโตสติโตสมาธิโตปัญญานี้เป็นสิ่งครับแบบนี้สิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันนะท่านผู้ชมเข้าใจยังไงขันไปลว่าที่ขันไปว่ารองรับขันไปว่าที่คือไอ้เจ้าต่ําเสื้อต่าําผ้าต่าหูกฟืมสิบเอ็ดสิบสองฟืมเนื้อดีๆเนี่ยต่ําเสื้อต่าําผ้ามันดีเนื้อมันดีมันขันมันที่เป็นอย่างนั้น นุ่กระงามดีถ้าหากขันดีบ่เนี่ยไปตักน้ำก็ได้จินบ่เนี่ยนี่เอาไปสู้ขันเขาไปตักบ้านให้พระก็ได้เอาไปตักน้ำก็ได้จินไปตักอย่างได้มดัดขันจึงไปว่าสู้ไปว่ารองรับเนี่ยสิงขันสมาธิขันปัญญาขันขันเปว่าที่อผลจริงว่า สิ่งศิษยาอธิศิกขาอาธิจิตตศิกขาอธิปัญญาศิษยาศิกขาเป็ว่าทะลุเป็นว่าบทเป็ว่าทําให้มันและทําให้มันมุนไปเพลินไวอย่างนั้นอันนี้แหละสิ้นอันนี้แหละกําจัดกิเลสอย่างงาเพราะโทสะโมหโลภกิเลสตัณหาอุปทานคำจื้อจางไปแล้วสิ้นอันนี้จึงฝากอดสิ้นอันนี้ไม่สิ้นรักษาขนคนไม่ขนรักษาศิน อันส่วนสินห้าสินแปดสินสิสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนั้นสินขนรักษาอันนอันเนบโแมนสินรักษาขนโตสตีโตสมาธิโตปัญญามันรักษาขนที่ทำผิดพูดผิดคิดผิดมันปุ๊บเห็นปรับโหลดนมืผู้ใดพูดนึงมาว่าให้มันเหตุโลดมันเข้าใจโลด มันเป็นตาทิพยมันเป็นหูทิพจริงๆครับเรื่องนี้บุแม่นตาทิพย์ที่มองเห็นข้อมูลรถตะลี่อยู่องค์เทพคุณบุบแม่นองศาเนี่ยตาทิพอันนี้ครับมองเห็นชีวิตจิตใจนี้เองเนี่ยครับหูเทิพยบุบแม่นจีว่าผู้ทดเว้าใสัยยุีิใดเห็นหูอันบุบแม่นเนี่ยหูทิพหมายถึงผู้ใดมาพูดดีพูดซัวมันหูจักมันจะเข้ามาปุ๊บถอยู่ใน ตัวชีวิตใจของนี้ยได้ครับนี่แหละมันเต็มครับผมได้ยินหนังสือผมอ่านหนังสือแต่เมื่อผมเป็นเน็นครับเอาเข้าไปเสบาาเธอนึงได้พาละได้นิส่งหกขับไปจังหันเธอนึงเมื่อเศ้าได้ห้าขับไปท่งเพนเธอนึงได้สี่ขับขับหนึ่งก้วงลอยโยดลึกลอยโยถึง ร้อยปีของเมืองคนจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาปีหนึ่งเทวดาเจ้าเอาเม็ดบางนาไปทิ้งใส่ขุมนั่นมันเต็มปิ๊บและเป็นขับหนึ่งคนวัดโอ้มาที่เต็มบอกว่วงรอยโยจะจะเอากระโทนเฮานี้นไปทิ้งใส่มุลเม็ดมุลเม็ดของกระโบเต็มนี่นะครับอืมบัด น, นี้พ้นเปียบทางว่วงบนนี้ถังสูงว่วงรอยโยสูงรอยโยมีเทวดา เอาเพาวอ้อนมาปัดมาสิร้อยปีของเมืองคนนี่ไปเป็นปีที่ของเทวดาปีหนึ่งเทวดาที่เอาพาวอ้อนมาปัดหนึ่งดยเข่าสูงอันนั้นละ่ะคาเพียงเพียงงามคือหน้าของนี่ฝนวา่าจึงเป็นกับหนึ่งมาสิอันนั้นถูกน้อยบทูกหลายอันตัวเจริญสติตัวเจริญสมาธิตัวเจริญปัญญาพลิกมือขึ้นให้รู้สึกขว้มมือลงให้รู้สึก เดินหน้าถอยดั่งให้รู้สึกคิศตาอ้าปากให้รู้สึกกินน้ำลายลงไปในลําคอให้รู้สึกมันนึกมันคิดให้รู้สึกตัวทันทีนี่แหละมันเต็มครับเต็มกลับเลยนี่เนี้นี่แหละว่าเต็มว่าสมบูรณ์แท้ๆอันนี้ครับนี่แหละเพื่นว่าเต็มกับหนึ่งกับหนึ่งมันสติสมาธิมันสมบูรณ์จริงๆออันนี้เนี่ยเพื่นว่ากลับหนึงได้เต็มกลับแล้วแบบ น, นี้ สม บ, บูรณ์แล้วพระที่ว่าวสัตยกรรมตามสางเห ม, ม น, นี่แหละอา น, นิสงส์มันจริงจรงเนี่ยการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่ผมไม่อา น, นิสงส์งร้อยขับพันกันอันนั้นอันนั้นเอาไว้ตะค้อนตัวหนังสือเว้าอันนั้นเนี่ยให้พวกเขาเจริญสติแบบนี้มันจึงเข้าใจแบบนี้โบเจริญสติแบบนี้โบเข้าใจแบบนี้ทําบุญให้ทานมากๆกับโบรู้แบบนี้ โบลูแท้ๆมีเงินหลายๆกับโบลูโบลูแท้ๆบัด น, นี้บ่มีเงินกระทำร้างบ้ได้ให้ทานบ้ได้เห็นรักษาสิ่งกระทำซ้างมันจเจริญสติแบบนี้ไนดะ้มันจะรู้จริงๆรู้แล้วมันเป็นไงมันต่างเก่าล่วงภาวะเดิมแท้ๆนี่แหละงานปัญญาเกิดขึ้นงานเป็นว่าเขาไปรู้เขามาลู่ใสยกเข้ามาลู่ชีวิตจิตใจเขาเนี่ยมันทุกข์มันสุขมันรู้มาอันนี้เนี่ย มันจิไปดีมาดีนี่นะมันจี้พวกผิดบ้านผิดเมืองนี่นะมันจี้ยุ่สบายดีนะนี่ขันรู้แล้วสี่เหตไทเหตน า, นานได้โย่โอดมันต้องเหตไทเหดนาวะบอกเหดไ้เหตน า, น า, นานมันจีได้กินบอกมันก็ต้องทำการทำงานตามหน้าที่จนวนนี่แหละจึงว่าศึกษาจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเนี่ยให้รู้จักตัวเอง รู้จักตัวเองแล้วก็ต้องทำการทางานตามหน้าที่พ่อต้องรู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ต้องรู้จักหน้าที่ของแม่ลูกต้องรู้จักหน้าที่ของลูกพ่อแม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ต้องทำการทางานตามหน้าที่ของตัวเองลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเองก็ต้องทาการทำงานตามหน้าที่ของตัวเอง เมื่อครอบครัวใดรู้จักหน้าที่ทําการทํางานตามหน้าที่ของพ่อของแม่ของลูกแล้วครอบครัวนั้นว่าเป็นปุกอยู่กันก็เป็นความสุขเป็นเมืองสวรรค์แล้วอัน น, น, นั่นแล้วเมืองสวรรค์บมไม่ไปอยู่สันฟ้ารพุนบมไม่อเมอาจะไปปลูกเหมือนอยู่สันฟ้าร์พุนใดมันต้องปลูกในที่ดินนี้ขุดเสาลงที่นี่แล้วเอาไม้มาเฮ็ดเหือนเฮ็ดที่นี่ เฮ็ดเมืองมนุษย์เมืองคนเฮ็ดบ้านเฮานี่เขาอยู่บ้านเฮานี่นี่ปลุกเงินเมืองสวรรค์มันปลุกจยางนี้สวรรค์จะว่ามันอยู่กับเฮานี้มันเป็นอะไรตอนนี้นิพพานบันนี่นิพพานก็หมายถึงมันโบโกด์มันโบโลบมันโบลงมันบบอิสสารลิษยาเวียดเบียนพ่อแม่ทีนองนี่แล้วนิพพานนิพพานก็หมายถึงโบดมีโศสะโบมีโมหะโบมีโลภะมันเย็นอกเย็นใจนี่ นี้แหละลักษณะใจดีอันนี้บ่มันดีใจใจมันดีใจมันโมอิ ส, สาลิสยาผูไ้ได้ไผชีเ่เฮสเดกตามสร้างรูแลบุษจิวาไผมาลักของแล้วบุไปแจ้งจตำวรวจบุไปแจ้งจผู้ใหญ่บ้านกำนันบุษเสเมนังสันรูแล้วมันมีสติมีสมาธิมีปัญญาใจมันดีวาดีพูดดีไปแจ้งได้คนมาลักของเอาไปแจ้งให้ตำ นวดมาจักก็ได้ลักมือนั้นเดือนนั้นวันนี้เนี่ยขอคิดว่าสบายอย่างนี้เนี่ยคนใจดีคนใจดีกับคนดีใจจึงต่างกันคนมีดีเอามาเว้ากับคนอวดดีดมันต่างกันคนอวดดีซื้ออันหนึง่งบรับรองคําพูดของตัวเองบวกกล้าสอนผู้อื่นได้อันนั้นขเขาว่าคนอวดดีคนมีดีแล้วเอามาเว่าวสู้ฟังเนี่ยก้ารับรองคําพูดของตัวเองได้แล้ะก็สอนผู้อื่นก็นได้จริงๆ เพราะมันมีดีในโตเนี่ยมันมีดีแล้วก็ต้องก้าใดตีอย่างผมว่าเดี๋ยวนี้ผมก้าใดรับรองได้อ้าวย่างนานบกเกินสามปีย่างกลางปีนึงย่างไวที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งมือถึงเก้าสิบมืออานีส่งบต้องพูดเลยครับเรื่องนี้นี่แหละความสงบจึงมียุสองอย่าง สงบแบบนึ่งผมเคยทำมาแล้วเป็นนั่งหลับตาอยู่อันสงบแบบนั่งกัแม่สงบแบบ น, นั้นบุญแม่ยังสันสงบจากโทสะโมหะโลภะสื่อ อ, อันนี้สงบแบบพระพุทธเจ้าสอนอันสงบแบบเป็นนั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเขา้าหายใจออกให้รอาตามลมหายใจนึกในใจอันนั่งก็สงบแบบนึง สงบแบบนั้นโบแมนสงบจากโทสัตโบเมสงบจากโมหะโบเมนสงบจากโลภะโบแม่นสงบจากกิเลสบบแม่นสงบจากตัณหาโบแมนสงบจากอุปทานโบแมนแท้ๆอธิบายซะแบบกระตามซางความสงบแบบผมว่านี่มีความรู้สึกความตื่นตัวนี่มันสงบจากโทสัตสงบจากโมหะสงบจากโลภะตัณหามันความสงบแบบนี้แหละทำนาทำสวน ปลกผักปลกงาขุดดินฟันไม้ไปซื้อไปขายก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายเขียนหนังสืออยู่ในโต๊ะในเก้าอี้ก็ได้เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูได้มืดมันสงบแบบนี้สงบจริงๆครับเรื่องนี้รับรองได้นี่แหละสร้างเมืองสวรรค์สร้างเมืองนี้พานให้เกิดขึ้นกับบ้านเห่านี้กับเมืองเ่านี้กับพื้นดินอันนี้นี่ เมื่อทุกคนจเจริญอย่างนี้แล้วขวมสงบมีจริงๆบ่สับสนบ่วุ่นวายบ่เดือดร้อนนี้แหละคำสอนของพระพเจาสอนจริงจริงให้คนรู้จักสวรรค์มีผ่านจริงๆที่นามาเล่าให้ฟังมื้อนี้กับแปลววาเวาเรื่องสวรรค์เวาเรื่องมีผ่านเห็นว่าสมควรเกวีลาแล้วตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเด้อย่าสุคานเดถ้าพานแล้วบ่รู้แทเขาลัมื้อนี้ก็ได ไวเทียมแคนี้ลหละเล่าหลายแล้วกับมันกับยาวไปซื้อนี่แห้ะนีะ่มลคุเขาแล้วกกล้าก บ, กบกันมือนี้เป็นวันที่หนึ่ง ม, มุกรลาคมตรงกับวันอาทิตย์แรมสิบสามค่ำเดือนเจียงนี่ที่จะมาเล่าสู่ฟังก็คือ เรื่องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเรียกว่ามาเจริญวิปัสนาที่เรามารวมกันเปิดอบรมกันเป็นเวลามาแล้วเป็นเวลาผ่านมาแล้วสองวันดังนั้นสำหรับ วิปัสนาคำว่าสำหรับว่าวิปัสนานี้ยวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเก่าลวงภาวะเดิมผนว่าคำว่ารู้แจ้งรู้จริงก็หมายถึงว่ารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเมื่อรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็รับรองคำพูดของตัวเองได้ ถ้าหากว่าเรารู้จริงรู้แจ้งแล้วบรับรองคำพูดของตัวเองใดนั้นซึ่ายังโบทันเข้าใจให้ทราบซึ่งการเข้าใจให้ทราบซึ่งกับรู้แจ้งรู้จริงนี่มันรู้มาจากการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา เมื่อจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาได้สัตว์ได้ส่วนตีแล้วมียานสดิหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองดังนั้นวิธีการที่สำหรับผมจะนำมาเล่าสู่ฟังวันนี้นั้นมันมีวิธีการ ไม่สย่เป็นวิธีพูดเฉยๆวิธีการของมันนั้นเรียกว่าวิธีเจริญสติวิธีเจริญสตินี่ก็เป็นคำพูดเฉยๆแต่มีวิธีการสนิดหนึง่งทำความรู้สึกตัวทำคมตื่นตัวรู้สึกตัวตื่นตัวนี่ก็ หมายถึงการปลุกตัวเองบ่นนอนหลับทับสิทคําว่าปลุกตัวเองนี่ก็บไม่ใช่ว่านอนหลับแล้วปลุกไม่ใช่อย่างนั้นปลุกตัวเองให้ตื้นตัวไม่ต้องนั่งนิ่งนิ่งวิธีของมันก็คือเอามือวางไว้ที่บนขานั่งพเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ นั่งเก้าอี้ก็ได้เยียดขาก็ได้เอามือวางไว้แล้วก็พลิกมือขึ้นให้รู้สึกความรู้สึกนี่แปลว่าตื่นตัวขั้ว ม, มือลงให้รู้สึกความรู้สึกนี่แปลว่าตื่นตัวคือปลุกตัวเองเป็นการเขย่าทาาของตัวเองนี่ว่าทา่ารู้การเขย่าทาารู้ของตัวเองมีอยู่แล้ว ในตัวของคนทุกพุกคนไม่มีการยกเวนการปฏิบัติแบบนี้บรยกเวนไขทั้งหมดเลยถ้าทำทุกจังหวะแล้วรู้ได้เหมือนกันมดทุกคนอุปมาให้ฟังเหมือนกับเมกเขา้าเข้าเปือกเข้าเจ้ากร้ซางเข้าเหนียวก็ตามถ้าหากยู่ในเรา ในมุงในยุง่งในสางของเขานั้นบดทึกฝนบดทึกดินบดออกนอ่อถ้าหากเขาเปืือกเขาเจ้ากับสางเขาเหนียวกับตามมันอ้วนมันเต็มดีแล้วเอาไปปลูกใส่ดินที่ซุ้มที่เย็นได้สัตวได้ส่วนเหนียวแตกเม็ดทุกเม็ดดังนั้นจึงบ่มีการยกเวนไข่ทั้งหมด เรื่องการเจริญสติแบบนี้รู้ได้เหมือนกันทุกคนจะเป็นผู้หญิงกะตำ้างผู้ชายก็ตามเป็นเนรเป็นพระก็ตา ม, มเป็นคนซารใดเือาศาสนาอันใดก็ตารซางรู้ได้เหมือนกันรู้อันใดจีวัวงซีก็ได้รู้ทีแรกนั้นรู้รูปรู้รนาม รูรูปธรรมนามธรรมรูอันนี้รูนามอยู่ใส่รูนามคือรูปตัวเหานี่แหละนามคือจิตใจเนื้ากายกับใจรูกับนามมันเป็นคำเดียวกันเมื่อรูรูปลูนามแล้วก็รูรูปธรรมรูนามธรรมธรรมะนั่นจึงคือคนทุกคนบุ่มีการยกเว้น ลูบทำลูบลูบทำลูบหนามทำแล้วก็ลูบลูกโลกลูบนามโลกลูบลูกโลกลูบหนามโลกนี่มีสองอย่างโรคทางเมื่อทางหนังทางกายเขานี้เจ็บหัวปวดท้องเป็นบาดเป็นแผลหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เขาว่าโรคทางกายต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยให้หมอตรวจเซจร่างกายให้แล้วให้หมอเอายาให้กินก็หาย โลกอีกชนิดหนึ่งคือโลกทางจิตใจโลกทางวิญญาณโลกทางจิตใจโลกทางวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรบางคนอาจจะรู้บางคนอาจไม่รู้โลกทางจิตใจนั้นคือมีผู้ใดมาพูดอันใดอันนึงให้ดีใจบางทีบางที่ก็พูดไม่ดีก็เสียใจมีผู้ตำหนิก็จะเสียใจ มีผู้มายกย่องก็ดีใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกทางจิตโลกทางวิญญาณอันนี้เมื่อรูร้รูปโลกนามโลกสองอย่างนี้แล้วก็รู้ทุกขังรูอ้อนิจจังรู้อนัตตาทุกขังอนิจจังอนัตตานี่เราเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณ ะ, ะทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าของจริงของแท้เมื่อรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วก็รู้สมมุติ สมมุตินี้สมมุติอันใดสิลูให้ครบให้จบให้ท้วนสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติดีสมมุติซัวให้ว่าสมมุตินี้ลูให้หมดทีเดียวจิ้วสมมุติอันใดก็ให้ลูให้เข้าใจเพราะอาศัยยานปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมียานปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ลูหมาจักหมันสมอง นึกว่าการเขย่าถาดรูของอตัวเองหรือของเฉพาะตัวเองว่าสังสงรรค์ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจเรียกว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วหรือว่าานวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วหรือยานปัญญาเกิดขึ้นแล้วให้แก่ชีวิตจิตใจของตัวเองรู้ส ม, มุติแล้วก็ต้องรูศาสนา ศาสนานี้แต่ก้อนนั้นเข้าใจว่าวัดหรือพระพุทธรูปหรือตัวหนังสือเขียนเทนาใบลานนั้นเข้าใจอย่างสั้นแต่ก้อนผมเมื่อเข้าใจศาสนาแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาแต่ก้อนนั้นผมบอกเข้าใจว่าพุทธศาสนานี้ผมบอกเข้าใจเข้าใจแต่ว่าศาสนาพุทธเข้าใจอย่างสัน้น เมื่อมาพิจารณาแล้วงานปัญญาเกิดขึ้นศาสนานั้นแต่ว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้สอนไส่สอนคนคนมันมีหูสอนเข้าหูฮันฉะนั้นทุกคนนี่แหละบ่าว่าผู้หญิงบ่าวว่าผู้ชายบ่าว่าเจ้าหัวบ่าว่าไอ้จัวคือกันมัด คนซาดเดอก็ะทำสร้างมาันต้องมีหูส่อนเข้าหูหันแล้วกระจำไว้นี่ผู้มาว่าให้ฟังจดจำได้อันนั้นเดี๋ยว่าศาสนาศาสน า, า, าจึงคือคนพุกคนพุทธศาสนาแบบเนี่ยคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นนั่นแหละเดี๋ยว่าวิปัสนา รู้แจ้งรู้จริงรู้มาจากมันสมองรู้แล้วโบหลวงโบลืมโบข้องแวะกับอันใดทั้งหมดเลยใครที่มาพูดจาน้กะต่างสางโบเสือ้อเพราะเจ้าของรู้แจ้งรู้จริง้นก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมแท้แทแต่ก็อนนั้นมีความสงสัยหรือว่าบบฮู้กัว่าใดจันนั้นจะไปถือว่าศาสนานี้คือมีวัา มีเจ้าหัวไอ้จัวมีพระพุทธรูปมีกุฏิวิหารแล้วมีหนังเส้นหนังสือเข้าใจว่าบ้านใดบูมีวัดแล้วบูมีศาสนาเข้าใจอย่างนั้นบ้านมาเจริญสติแบบนี้แล้วมีก็ได้วัดบูมีก็ได้เจ้าหัวไอ้จัวก็ได้ก็คือกันมีกระได้บูมีก็ได้หนังสือก็มีก็ได้บูมีก็ได้ มันเข้าใจอย่างสัน้นหนังสือ น, นี้แปลว่าเขียนไว้เพื่อทรงจำบ่ให้หลงให้ลืมเท่านั้นสิซื้ออันนี้บ่หลงบ่ลืมบ่หลงบ่ลืมในแทะผมตั้งแต่อายุ4ี่สิบหกปีมาถึงมื้อ น, นี้บ่หลงบ่ลืมมีผู้ใดมาถามเรื่องรูปเรื่องนาแล้วเข้าใจโลด เรือมีผู้ใดมาว่าเรื่องทุกขังอนิจจ์อนัตตานี่เข้าใจโลดเรือมีผู้ใดมาว่าอันใดเข้าใจเรียกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นอย่างสัน่นเมื่อรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาย่างดีแล้วกันรู้บาดรู้บุญแต่ก้อนนั้นผมเข้าใจบาดนั้น ผมย่านผมกลัวเต่ก้อนพ่อผมเห็นรูปภาพติดอยู่กับฝ่าผนังสิม น, นั้นไปตกนรกผู้ดใดทำผิดพูดผิดบาปฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ญายมพิบาลเอาหอกแทงลงหัวหันตกลงมนรกคุณเลือดดำเลือดแดงวุณย่านผมกลัวผมเป็นเด็กน้อยบุญนั่นก็นคือว่า ตายแล้วก็ไปขึ้นเมืองสวรรค์แต่เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอยุสันฟ้าพุ่นสันนั้นสันนีพันวาอย่างสันก็ยักไปทําบุญให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างยักไปเกิดเป็นเทวดาผมเป็นอยงสันดังนั้นเมื่อมาลูแล้วสิ่งนั้นก็นดีอยู่หมดเสวบุตีมันดีน้อยมันบม่ดีถึงร้อยปอร์ อันนี้มันมีบุญถึงร้อยปรเซ็นดีถึงร้อยปรเซ็นจริงๆ จ, ง จ, งจึงว่าบกคล้องแวะกับสิ่งที่สมมติอันนี้ทำให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นการเจริญสติแบบนี้รับรองได้แต่วิธีที่อื่นๆนั้นกะดีแต่ผมหับว่ารับรองเพราะผมได้ทำมาหลายวิธี วิธีพุโทโธผมก็ได้ทํามาวิธีสัมมาอ阿拉หังผมก็ทํามาวิธีนับหนึ่งสองสามผมก็ทํามาวิธีดูท้องยุกพองนี่ผมก็ทํามาวิธีอาณาปานาสติผมก็ทํามาวิธีนับหนึ่งสองสามถึงยี่สิบนับถึงยี่สิบลงมาถึงหนึ่งผมก็ทํามา อันนั้นได้ขวมสงบโบได้เกิดปัญญาสี่มีผู้ใดมาว่าผมยังมีควมสงสัยสับสนวุ่นวายอยู่สัน้นให้ว่ายังมืดอยู่ว่างสังก็ได้บัดนี้ผมบูมืดบัดนี้ผมออกจากทีมืดสมมุติให้ฟังแต่ก้อนนั้นคือผมอยู่ในธรรมผมจุดไฟขึ้นแล้วแต่ผมก็อยู่ในธรรมฮัน คมมืดนั่นมันบุญิจากผมจุดไฟขึ้นแดีวมืดเอาไฟมาข้างหน้าที่มืดมาแล่นมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันไปข้างหน้าเอาไฟไปข้างซ้ายมืดมันมาข้างขวาเอาไฟมาข้างขวามืดมปมาข้างซ้ายเพราะควมมืดมันอยู่ในผมนี้ผมบุญมีความสว่างจิตใจจากเถื่อแต่ก่อน ต่อมาเมื่อผมจเจริญสติแบบนี้เนี่ยผมมีกลมสว่างในใจของผมไพรสอว่ศาสนาตามสังเรื่องศาสนานี้บาปบุญคุณโทษนี้ผมรู้จักดีรู้จักแล้วบมเสสวาจิไปทำผิดพูดผิดคิดผิดไม่ใช่อย่างนั้นรู้จักแล้วมั่นคงทาวรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจนี้อันนี้เรียกว่า ต่างเก่าร่วงภาวะเดินแท้อันนี้ดังนั้นจึงรับรองคำพูดของตัวเองได้รับรองได้จริงๆเมื่อลู้อันนี้แล้วมันมีงานสนิทหนึ่งเกิดความลู้ขึ้นอันนี้เรียกว่าดีใจมันเป็นปีติมันดีใจสามารถจะลู่สามารถจะไปแสดงทำให้ คนฟังได้รู้ว่าทุกคนในโลกนี้ผมเขาใจอย่างสั้นเมื่อผมรู้ทีแรกแล้วผมยังสามารถว่าจะแสดงทำให้พี่ฟังก็เป็นแสดงทำให้เทวดาฟังก็ได้เพราะมันมีตาทิพมีหูทิพเป็นอย่างสัน้นเห็นพี่เห็นเทวดาเห็นคนจริงๆไม่ใช่ว่าจีบว เ, เห็นได้เห็นแท้ แตบเุเสเม็นตาเนื้อนี่เห็นตาจิตตาใจมันเห็นเห็นสมมุติคือว่าพี่เขากะว้านุ่กันอยู่เดี่ยวนี้นี่แต่คนผู้บุมิตาทิพย์บ่เห็นเทวดาเขากเว้ากันอยู่เดี่ยวนี้นี่ผู้บุมีตาทิพย์เบิ่งบ่เห็นดังนั้นเทวดาก็จึงมีหลายซันหลายลึกกันพี่ก็จึงมีหลายอย่างคือกันพี่ย่างดีอย่างซัวมันเป็นอยงซันเลย อย่างนั้นพวกเขามาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาจิขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆผมรับรองได้เรื่องนี้ย่างนานเนี่ยไม่เกินสิบวันเรื่องรูปนามนี่รู้จริงๆแต่เรื่องเจริญทางใจในั้นนานจากน้อยเพราะผมเองไปปฏิบัติ มันโบนานไหมผู้ใดปฏิบัติมันก็รู้ไงรู้คือกันนี่แหละเพราะมันมีคือกันบัดนี้เอามาปฏิบัติทางจิตทางใจคาว่าปฏิบัติทางจิตทางใจนี่เฮ็ดยังไงอาจจะมีความสงสัยอย่างนี้ก็ได้ปฏิบัติทางจิตทางใจนี่ก็เฮ็ดคือเก้านั่นละ่ะเฮ็ดจังหวะคือเก้านั่นละ่ะแต่เฮ็ดถ้มันไวขึ้นจากน้อยมันคิด จีรู้จีเห็นจีเข้าใจทีแรกโบลูผมคิดนี่ผมตั้งแต่ผมเกิดมาแต่ในน้อยหลุดจากทองแม่มาผมบ็เคยลูกผมคิดผุจจักเถื่อมบเคยรู้จากเถื่อมันคิดอย่างไปอย่างโบหุ่นจักไปตามอารมณ์ทั้งมัดบัดนี้ผมมาจะเญสติรู้รูปรู้นามรู้ทุกขังรู้อันนี้จังรู้ศาสนา รู้บาปรู้บุญนีครบจบท้วนจริงๆแล้วผมเกิดมีความดีใจบุษย์ใจดีได้ดีใจสามารถจิดแสดงทำให้ผีฟังแสดงทำให้คนฟังแสดงทำให้เทวดาฟังได้เพราะมีหูทิพย์มีตาทิพย์เป็นอย่างสัตวเข้าใจได้อย่างสัตว์และบัดนี้ผมแล้วเกิดความรู้ ร, รูอันนั้นอันนี้รู้ไปทุกสิ่งทุกอย่าง ตอนที่ผมรู้ผมคิดผมนี่ผมเดินจมกลมมือแหลงย่งางไปย่งางมากับหน้ากับหลังมันมีต้นสุมพอกับต้นมักหันอยู่ตรงกันผมย่งางเดินจมกล ม, มอยู่หันเออคือมีคนมาผักมาซุกค้างผมนี่วูบหนึ่งครั้งที่แรกนั้นผมซอกหาเนอว่ามีคนผมบูมหุ่นเอ๊ะ มักคนที่ได้มาสุขค้างนี่วัศนผมว่าม้วนหูจักเห็นเห็นซอกหาบวาเห็นบัดนี้ผมย่างกลับไปกลับมาถึงวูบขึ้นครั้งที่สองนี้ผมก็รู้แต่หักเป็นยังบุคักเอ๊ะมันคิดเด้เนี่ยวัศนผมเข้าใจาง่มันคิดขึ้นมาวูบที่สามนี่ผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจผมไม่ตาเห็นนี่ครับนี่แหละ เรยกว่ายานปัญญาเกิดขึ้นวิปัสนาเกิดขึ้นให้รู้แจ้งรู้จริงรู้จริ ง, รงๆเรื่องนี้โบญุเวรสำหรับผมคิดอยู่ในใจผมว่าฉะนั้นจึงมีความสามารถยากมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องอยากให้รู้อยากให้เห็นอยากให้เข้าใจสาคัญเมื่อคนใดมารู้มาเห็นมาเข้าใจสาคัญแล้วมันจิตสบาย เนสันเดบาบบุญกุณญโทษนี่รู้จักจริงๆิอันนี้แหละเป็นการทำบุญยั่งสูงสุดในพุทธศาสนานี้บุญแปลว่าหยังบุญแปลว่ารู้รู้แล้วสบายใจเมื่อผมเห็นผมคิดผมแล้วผมก็เดินไปเดินมาทีแรกมันคิดเงาเงาครับคิดเงาเง บบบ น, นี้มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บแบบ น, นี้ทำเหมือนแมวกับหนูนี่พอดีหนูออกมาแมวมันจับปั๊บทันทีเห็นอย่างซีเมื่อรู้อันนี้แล้วคลายๆอย่างซีครับน้ำหนักบนตัวของผมหนึ่งหนักร้อยกิโลเมื่อผมรู้ผมเห็นอันนี้แหละ น้ำหนักของผมนี่เบาขึ้นรถหกสิบกิโลรครับนี่มันสำคัญจริงๆนะครับเรื่องนี้ให้ว่าจริงๆแล้วน้ำหนักผมนี่ผมเบาขึ้นแปดสิบกิโลในขณะนั้นแล้วผมมืดผมมืดตึ๊บตะกี้อะ่ะบนี้ผมมีผมสว่างแจ้งจังปางประเดียวครับอันนี้แหละ ในขณะหนึ่งอีกเตืมว่าหนักเป็นเบาขาเอิดดำกับเป็นขาวขึ้นมามืดกับเป็นสว่างขึ้นมามันเป็น ส, สันภายในจิตใจของตัวเองรับรองตัวเองได้ว่าโอ้นี่หวมเป็นพระมาอยู่ที่นี้ในขณะนั้นผมนู่กางเกงขาสัน้นหรือขายาวผมก็จาบอดได้ครับเป็นโยมนี่นะอยู่คือกันนี่นะ แล้วก็เป็นได้คือกันจิตใจเนี่ยบนแม่รูปอันนี้เป็นไี่เป็นเจ้าหัวไอจัวเป็นผ้าเนี่ครับอันนี้เป็นเรื่องสมมติซื้อเป็นผ้าเป็นผ้านี่หมายถึงจิตใจมันเปลี่ยนแปลงจากภาวะหนึ่งไปอยู่ภาวะหนึ่งอันนี้แหละเห็นจังซี่จริงๆเมื่อเห็นอันนี้เราก็เห็นวัตถุเห็นปรมัดเห็นอาการเห็นรู้เข้าใจโมลงโ่ลืมจริงๆ วัตถุนี้มีทั้งภายนอกและภายในภายนอกคือต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงดินฟ้าอากาศนี่เป็นวัตถุบัดนี้มาเข้ามาภายในเขาก็คือตอนโตเขานี่แหละเป็นวัตถุเงินทองเสื้อผ้าโมนีเป็นภายนอกตอนเนื้อโตอนังเขานี่แหละเป็นวัตถุโตเนื้อโตอนังเขานี่แหละเป็นปรมัทิตย์ กำลังเห็นยู่มียู่เป็นยู่มันนี้เห็นอาการคือสภาพควมเปี้ยนแปรงร่างกายเขาหนี่ก็เปี่ยนแปรงไดน้อยแล้วก็มาเป็นไง่ไง่แล้วก็เป็นเขาเป็นแก่ตายเน่าเข้าลงต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของบึงก็คือกันเปี้ยนแปรงใดเรียกว่าอาการของมันอันนี้แหละเมื่อเป็นนังซีแหละแปลว่าสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์อันนี้ แล้วก็เลยรับรองตัวเองได้เปว่ายานเขาไปรู้เขาไปรู้ว่าเมื่อที่เขาไปซื้ออื่นเนี่ยเขามาลู้จิตลู้ใจโตของเขานี่เนผมเข้าใจอย่างสัน้นดังนั้นจึงว่ารับรองได้คำพูดของตัวเองโบผาดบบผิดอันนี้แหละเป็นว่าการเจริญสติเมื่อคมคิดมันยาวไปทีแรกก็เขาโบาเคยรู้โบเคยเห็น คิดมาลอยเรื่องผ่านเรื่องเขาจิรู้เรื่องนึงบัด น, นี้รู้เรื่องนึ ง, งนนแล้วเหมือนกันสั้นเข้าแล้วบุญความรู้นั้นมันจีสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเขา้เขารู้ปุ๊บเห็นปั๊บรู้ปุ๊บเห็นปับ๊บอันนี้เพป็นเอื้นวสติสมบูรณ์เพิ่งอย่างว่าภิกษุอยู่โดยสอบว่าสั น, นมักคนมีผ่านบาว่างจากโลกนี้ อยู่โดยซอบอยู่จากไหอยู่โดยสอบกับอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญามีผู้ใดมาว่าอันใดให้เหา่าตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญามาจิปุ๊กเข้ามาอยู่ภายในจิตใจหลดอันนี้พนว่ายอยู่โดยซอบนี่แหละมรรคผลนิพพานมันเข้ามานี้นิพพานนี่บุษตายแล้วจึงเอาเด้วิปัสสนานี่มันเป็นอ่างสันเดชขันว่าจังซีแล้ว คนนันมาว่ามันต้องตายแล้วจึงเอาสวรรค์นิพพานอันนั้นเรื่องของคนรู้อย่างนั้นผมต้องรู้อย่างนี้บัดนี้แต่ก้อนนั้นผมว่าตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอาดิพานบัดมือนี้แล้วผมโมเป็นอย่างสั่นมันต้องเอาเดียวนี้สวรรค์นิพพานก็เอาเดียวนี้สวรรค์นั้นตามความเข้าใจของผมตาเห็นอันดีหอฟังอันม่วน ดมดังอันอดังดมอันหอมปากจินอันแทบนอนที่นุ่มที่ห น, น่วนยู่นํากันหลายๆคนแล้วก็พูดดีหัวม้วนนํากันอันนี้เมืองสวรรค์ผมเข้าใจอย่างสั้นตายไปกระเไปเกิดเมืองสวรรค์แทะห้าหากมันมีจริงมันว่มีจริงมันก็สบายเดี๋ยวนี้นิพพานก็คือกันนิพพานน้ำมายถึงบอกโอด้ด แล้วโทสะบเกิดโมหะบหลลงโลภะเกิดขึ้นบวใดเพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์นี่แหละสิลนจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างงาบบเมนสิ่นห้าสินแปดสิ่นสิบสิ่นสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยสิบเอ็ดตัวนั้นบวมเนนี้สิน่นอนั้นับจัดอันนี้บวใดโตควมรู้สึกควมตื้นตัวนี่แหละ เป็นตัวสินมากําจัดโทสะโมหะโลภะได้แน่นอนที่สุดอ้าวรับรองได้เรื่องนี้แล้วก็เลยรู้วัตถุปรมัดอาการนี่แล้วก็บรู้โทสะโมหะโลภะเห็นแจ้งรู้จริงนี่แหละอยู่โดยสอบเวทนาบ่มีทุกสัญญาบ่มีทุกสังขารบ่มีทุกวิญญาณบม่มนทุก บ่เป็นทุกข์เพราะบ่มีโทสะโมหะโลภะนี่เองทุกข์เพราะโทสะโมหะโลภะนี่ผมบ่เมืนทุกข์บ่มีเงินบ่มีทองบ่เมีนนันนันเนี่ยที่ผมว่าอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกทางจิตทางใจดีเนี่เมื่อเห็นอันนี้เราจิตใจผมเปลียนอีกตึมครั้งที่สองโบกไกลกันจับน้อยครับระยะคล้ายๆติดกันทีเดียวทีว้าได้มันไกลกัน เราเคยเห็นกีิเลขเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นกรรมเมื่อเห็นอันนี้แล้ววอมจืดจางลงไปมันคายคาคือปิงครับมากินตัวเราเราโบ้ต้องจับปิงบันนี้ครับแต่ก่อนปิงมันจับตัวเหาแล้วเหาดึงปิงออกมันโบยกออกบันนี้เราเอายากับปูนนี่ไปซุบเอาน้ําเอาน้ําปูนกับน้ํายามาบีบเส้นเนื้อหนังของนี้ปูน น้ำปูนน้ำยามันลดทึกปากปิงปิงมันล่นเอาผู้เดียวลดอันนี้ก็คือการวามโก้วามโลความลงวามยึดมั่นถือมั่นมันจีจางลงไปสมมุติอีกตัมอย่างหนึ่งน้ำสีมันเต็มกระปองปริมาณมันคุณภาพมันดีร0อยเปอร์เซ็ตถ้าเป็นสีดำสีแดงเอาไปย้อมผ้าขาวมันจิกินเนื้อผ้าทั้งมัดเด็กอ่อน เป็นเงาสันซักบาออกเป็นเงาสันเินเทาเอาใส่เสื้อใส่ผ้าอันนั้นหึงมามันเราขาดมันอย่างไปที่เช่นนี้เตสิมันอย่างติดยู่กับจางไปนําพอห่อซักหลายเทื่ออันนี้ก็คือการข่มโคตรข่มโลกข่มลุงข่มยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะค่อยจางไปเงาสันแต่มันบู้นี้จะเขาบัดนี้นําสีปริมาณมันเต็มกระป๋อง คุณภาพมันทึบไหม้ไปจืดจางไปน้ำดำํากระตร้างน้ําแดงกระตมเอาไปย้อมผ้าขาวมาจี้โบติดเนื้อผ้ า, อาบัด น, นี้ถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าเข้าใจจริงๆแล้วเอาไปย้อมมันโบติดถ้าติดมันก็เป็นมูลเล่นไปนซื้อเอาไปลางนาำออกโลทันทีอันนี้แหละพันว่ายูโดยสอบถ้าหากพิกสูยูโดยสอบ ตามพระธรรมวินัยแล้วมรรคผลนี่ผ่านพลวับางจากโลกคนวาสันหรือพระอรหันต์กั บ, บวัางจากโลกว่าสันอันเทวานี้โบเมนสมมุติว่าผมเป็นพระอรหันต์ผมไม่ได้ว่ายังสันยอยู่โดยสอบสดิอยู่ยังไงอยู่โดยมีสติโดยมีสมาธิโดยมีปัญญาเบิ้งจิตเบื้องใจเขานี่นี่แหละอยู่โดยสอบมันคิดมาปุ๊บเห็นปั๊บหลดนี่แหละการบําเพ็ญทางจิต ที่พระบริจ้าตัดตรู้รู้อันนี้เข้าใจอันนี้ยู่โดยสอบกับยู่เฮ็ดให้เฮ็ดนาะซื้อขายทาหัวทําสวนเป็นกรรมกรแบ่โขนก็นได้เป็นอย่างได้มดถ้าหากรู้แล้วอย่างสีนี่แหละเป็นว่าอยู่โดยสอบมีผู้ใดมาว่าให้แล้วสติสมาธิปัญญามัจุไว้ที่สุดมาบังคับโทสะโมหโลภ กิเลสตัณหาอุปาทานกัมี้จีบเกิดขึ้นจริงๆ ร, รับรองได้จริงๆสิ่งจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหากิเลสอย่างยาก็คือโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานกัมี้แล้วครับ